250อารหันคือผู้เที่ยงแทะปุถุชนคือผู้ไม่เที่ยงไม่แทะความไม่เที่ยงของอารมณ์ปุถุชนเพราะยังไม่พ้นอวิชชาคนจึงวนเวียนอยู่กับอารมณ์นั้นนั่นแหละความไม่เที่ยงความไม่ยั่งยืนเปลี่ยนไปไม่คงทนเดี๋ยวเดียวก็หายไปเหมือนหยดน้ําฝนเหมือนฟองคลื่น มีแล้วก็เปลี่ยนเป็นไม่มีแล้วก็กลับกลอกไปมีอีกไม่เคยหยุดวนเวียนกันง่ายง่ายนี้คือโลกคือความวนวนมามีแล้วก็ไม่มีแล้วก็วนมามีแล้วก็ไม่มีความมีกับความไม่มีเท่านี้เองคือเครื่องอาศัยสองอย่างทวยายะนิสิตโตของคนไม่ว่าปุถุชน หรือแม้แต่อริยชนที่ยังไม่เที่ยงแต่อรหันนั้นจะมีที่สุดจบคือไม่มีนะโหติเป็นจุดยืนเป็นที่สุดเที่ยงแท้ย่างยืนตลอดกาลพระไตรปิฎกเล่ม16ข้อ43่าอรหันคือผู้ยืนอยู่บนความจริงไม่มีฝัน อยู่กับโลกกับสังคมอะไรควรมีท่านก็มีอะไรไม่ควรมีท่านก็ไม่มีไม่อคติไปข้างใดท่านใช้มหาประเทศสี่กับศัพปุริศธรรมเจ็เป็นหลักธรรมสำคัญเพราะอารหันตุกท่านล้วนรู้จักรู้แจ้งรู้จริงสมมุติศา จ, จกับปรมัติติศัสจาบริบูรณ์แล้ว จึงยืนอยู่บนฐานของความจริงอยู่กับโลกกับสังคมเสมอไม่ว่าท่านจะอาศัยความไม่มีโลกโลเกนติตาหรืออาศัยความมีโลกโลเกอติตาผู้เป็นอรหันต์ท่านก็คงอยู่กับสภาพนั้นอย่างไม่มีนะโหติกิเลสได้ทั้งสองสภาพ เสมอโดยอารมณ์ของท่านไม่ทุกข์ไม่สุขตลอดการย่างยืนไม่เปลี่ยนแปลงอีกปุถุชนจึงยังไม่มีอาทุกขมะมสุขเวทนาหรือเบคาเวทนาแบบเนคข ม, มะสิตเวทนาที่เที่ยงแท้นิจังย่างยืนทุวางถาวรตลอดการสัตตังไม่แปรเปลี่ยนอีกแล้วอะวิปรินามธรมมัง ไม่มีอะไรหากลางได้อาสังหิรังไม่กลับกรรมเริบอาสังกุปปังปุถุชนจึงยังเป็นคนผู้ไม่เที่ยงไม่แท้ส่วนอรหันต์นั้นเป็นผู้เที่ยงแท้แล้วอย่างยั่งยืนตลอดกาล